วิธีโปรแกรมจิตไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดสติที่เป็นจุดเริ่มแห่งการทะเลาะทำร้ายกันและเพื่อผเผชิญเหตุการณ์ร้ายเมื่อมีคนมาเบียดเบียนด่าทอหรือหาเรื่องคุณก่อนเมื่อเกิดสิ่งกระทบชนิดที่กระตุ้นอารมณ์ต่อต้านซ้ำๆมนุษย์จะมีปฏิกิริยาที่เป็นอัตโนมัติอยู่ล่วงหน้าอันเกิดจากความเคยชินที่ทำไว้แล้ว เช่นคู่รักคู่แค้นดามาคุณจะดาสวนทันควันนั่นเพราะคุณตกลงกับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่ห้ามใจไม่คิดหน้าคิดหลังเ็าเตะมาคุณเตะกลับเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอีกไม่ต้องคิดใหม่ความเคยชินที่เกิดขึ้นนั่นเองจะกลายเป็นชุดคำสั่งถาวรกำกับสมองให้คิดเป็นอัตโนมัติคือคิดใ้ปากใจมือไม้ตอบโต้ทันที โดยไม่ผ่านการกรองด้วยความคิดเป็นเหตุเป็นผลเฉพาะหน้าและอำนาจความเคยชินนั้นก็จะผลิตความรู้สึกหนักแน่นขึ้นมาบอกตัวเองประมาณว่ามันเปลี่ยนกันไม่ได้มันยากเกินจะฝืนหรือกระทั่งรู้สึกไปว่าจะเปลี่ยนให้งโง่ทำไมต่อเมื่อถึงวันหนึ่งคุณอยากใช้พฤติกรรมเสียเสียประเภทนี้เป็นบทฝึกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนโลกรอบตัว คุณค่อยเกิดกำลังใจและนึกสนุกพอที่จะลองและทั้งหมดที่ต้องทำก็ง่ายแสนง่ายเหลือเชื่อคือให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเลือกใหม่ไม่เลือกเอาแพ้เอาชนะแต่เลือกจิตที่สงบสุขเราจะตอบโต้แบบไหนจากนั้นนึกภาพให้ชัดเจนลงรายละเอียดให้ครบว่าคุณจะทำหน้าเรียบเฉยอย่างไรเช่นมองเขาตรงๆงไม่ยิ้มไม่บึง้ง ไม่หลบตาแต่ก็ไม่จ้องอย่างจะกินเลือดกินเนื้อกันและคุณจะใช้คําไหนเป็นคําแรกตอนได้ยินคําด่าเช่นเดี๋ยวก่อนนะนึกให้ออกเลยว่าน้ําเสียงต้องเงยือกเย็นประมาณใดจึงหยุดอารมณ์ร้อนของตัวเองและคู่อริดได้เชียพลันพอตกลงใจเป็นมั่นเป็นเหมาะกับตัวเองไว้อย่างนี้เท่ากับคุณมีชุดคําสั่งใหม่ใส่สมองไวจันนั้น เมื่อเจอคู่แค้นทำหน้ายักใส่อ้าปากด่าเข้าหูเข้าตาในครั้งต่อไปก็จะกลายเป็นการกดปุ่มเรียกชุดคำสั่งที่กุลเต็มใจใส่ไว้ในสมองให้ออกมาทำงานทันทีคือมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยและทำเสียงเย็นเย็นเอ่ยปากไปว่าเดี๋ยวก่อนนะจากนั้นคำดีๆอื่นๆก็จะพร้อมจะพรั่งพลูตามหลังมาสุดแท้แต่สถานการณ์จะพาไป